ตอนที่หนึ่งแม่ของฉันคืออดีตภรรยาตัวประกอบของพระเอกแม่จะพวกเรารีบปรับกันเถะนังเด็กนี่ไม่รอดแน่ฤดูร้อนปี1982หมู่บ้านเทียนสุยครืนนนนท้องฟ้าที่เคยสว่างสวยกลับมืดมิดลงในพริบตาสายฟ้าฟาดลงมากลางนาพาอากาศจนเกิดเสียงดังสนัน่นโจชุนหงที่ทำผิดแล้วกลัวความผิดถึงกับตัวสั่นเทิมอย่างอดไม่ได้ ร่างของเด็กหญิงที่ลอยอยู่ในแม่น้ําไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกแล้วโจชุนหงจึงรีบดึงแขนแม่ของนางให้รีบปรับไปเสียทีจะรีบไปไหนหนิวซูเฟินถลึงตาใส่อย่างไม่พอใจนางต้องมั่นใจก่อนว่านางเด็กเหลือขอนั่นตายสนิทแล้วจริงๆเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาภายหลังทว่าในขณะที่ทั้งสองกําลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นั้นกลับไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าร่างของเด็กหญิงที่เคยลอยอยู่บนผิวน้ําได้หายวับไปแล้ว ทันใดนั้นข้อเท้าของหนิวซูเฟินคล้ายกับถูกอะไรบางอย่างฉุดกระชากอย่างแรงนางจึงคว้าตัวลูกสาวที่อยู่ข้างๆไว้ตามสัญชาตญาณโจชุนของเองก็ยืนไม่อยู่ทั้งแม่และลูกจึงล้มคำมั่ลงไปในน้ำพร้อมกันกรีตแม่จะช่วยฉันด้วยฉันกลัวโจชุนของตะเกียร ต, ตะกายอยู่ในน้ำนางสำลักน้ำไปหลายอึกทั้งรู้สึกคลื่นไส่อยากจะอาเจียนและหวาดกลัวสุดขีดทว่าหนิวซูเฟิ์นเองก็เอาตัวไม่รอดจึงไม่มีปัญญาจะไปช่วยลูกสาวได้ ที่ริมฝั่งเด็กหญิงตัวเล็กผอมแห้งปาดน้ำออกจากใบหน้าดวงตายเย็นชาจ้องมองคนสองคนที่กำลังดิ้นรนอยู่ในแม่น้ำทันทีที่หลีวหว่านฟื้นขึ้นมานางก็พบว่าตัวเองกำลังลอยคออยู่ในน้ำโชคดีที่นางว่ายน้ำเก่งจึงไม่จมน้ำตายความทรงจำแปลกประหลาดหลั่งไหลเข้ามาในหัวเมื่อเรียบเรียงความคิดทั้งหมดแล้วนางจึงได้รู้ว่าตัวเองทะลุมิติเข้ามาในนิยายเสียแล้วในฐานะทาญยาสุ่นใหม่ของตระกูลแพทย์แผนจีนในยุค ป, ปัจจุบันนางกลับต้องมาอยู่ในร่างของตัวละครจากนิยายยุคแปศูนย์เรื่อง วิวาฐานยุค80อันร้อนแรงที่เพิ่งอ่านจบไปนางไม่ใช่ทั้งนางเอกหรือนางรองแต่เป็นลูกสาวของอดีตภรยาตัวประกอบของพระเอกที่มีชื่อว่าโจวานในเนื้อเรื่องเพื่อที่จะให้ลูกชายได้แต่งงานกับนางเอกที่มีภูมิหลังดีก็ยายแก่ใจโฉดอย่างนิวซูเฟินจึงลงมือฆ่าสองแม่ลูกตัวประกอบนี้ทิ้งเสียแล้วประกาศกับคนภายนอกว่าเป็นอุบัติเหตุ หลังจากภรรยาเสียชีวิตพระเอกที่กลับมาเป็นโสดอีกครั้งก็ค่อยๆ ย, ยอมรับการตามจีบของนางเอกและครองคู่กันอย่างเปิดเผยหลังแต่งงานย่อมมีความสุขหวานชื่นอาศัยความพยายามของพระเอกและรัศมีนางเอกจนได้เลื่อนตำแหน่งร่ำรวยมั่งคั่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของนิยายแนวนี้ตอนที่หลีหวานอ่านนิยายเรื่องนี้นางยังรู้สึกว่าสองแม่ลูกตัวประกอบช่างน่าสงสารนักคิดไม่ถึงว่าพอลืมตาขึ้นมาอีกทีนางจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายเสียเอง นางปรับอารมณ์ให้คงที่ในเมื่อตอนนี้มาอยู่ในร่างนี้แล้วนางจะไม่มีวันปล่อยให้จุดจบซ้ำรอยเดิมเด็ดขาดหยาดฝนเม็ดโตตกลงมากระทบผิวจนรู้สึกเจ็บหลีหวานกัดฟันกรอดร่างกายนี้ผอมแห้งเกินไปจริงๆเพียงแค่ฉุดผู้ใหญ่สองคนลงน้ำเมื่อครูก็แทบจะสูญเสียเรี่ยวแรงไปจนหมดสิ้นแล้วทว่านางยังพักไม่ได้นางต้องไปตามหาแม่แท้ๆของร่างกายนี้ นิวซูเฟินหลอกแม่ของนางออกไปข้างนอกและคงคิดจะลงมือฆ่าทิ้งในบริเวณใกล้ๆนี้นางต้องรีบไปช่วยให้ทันเวลาหวานเ อ, อ๋วิ่งไปได้ครึ่งทางหลีหวานก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อนางอย่างชัดเจนแม่จ้ะฉันอยู่นี่หลีหวานขานรับและวิ่งไปตามเสียงนั้นเมื่อเข้าไปใกล้ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งโซเซโซเซเข้ามานาง ม, มีสีหน้าตื่นตระหนกและโผเข้ากอดหลีหวานไว้แน่นใบหน้าเรียบเลร่งกล้าของนางเต็มไปได้วยความกังวล เป็นอะไรไหมหรือบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่จะยากกับอาจจะฆ่าฉันลิวันใช้มือน้อยๆจับแขนของหลีชิงถิงไว้แน่นถึงได้พบว่าร่างกายของนางเย็นเฉียบริมฝีปากไร้สีเลือดและที่หน้าผากยังมีเลือดไหลออกมาไม่อยู่สถานการณ์ดูไม่สู้ดีนักต้องรีบทําแผลและพันผ้าพันแผลโดยด่วนมิเช่นนั้นนางอาจจะเสียเลือดจนหมดสติไปได้แต่ตอนนี้เป็นช่วงพายุฝนฟ้าขนองการอยู่ในป่าเช่นนี้ถือว่าอันตรายมากและไม่มีทางที่จะทำแผลให้หลีชิงถิงได้เลย จริงด้วยมิติน้ำผู้วิญญาณหลิวหวันรีบรวมสมาธิและบริกรรมในใจว่าขอน้่มผู้วิญญาณให้ฉันสักแก้ววินาทีต่อมาในมือของนางก็ปรากฏแก้วน้าที่บรรจุน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ดีเหลือเกินมิติน้ํำผุนวิญญาณทะลุมิติ ต, ตามนางมาด้วยทายาแต่ละรุ่นของประกูลแพทยแผนจีนจะได้รับมิติน้ำผู้วิญญาณหลังจากสืบท่อตําแหน่งอย่างเป็นทางการมันเปรียบเสมือนนิ้วทองคํา ภายในมิติสามารถปลูกสมุนไพรจีนที่ต้องการได้และหากรดด้วยน้ำผู้วิญญาณตัวยาก็จะมีสรรพคุณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและย่นระยะเวลาการเติบโตให้สั้นลงตัวน้ำผู้วิญญาณเองก็มีสรรพคุณที่มหัศจรรย์ยิ่งนักลหวานแบ่งน้ำผู้วิญญาณให้ตัวเองและแม่ราคาถูกดื่มโคลนิดเพื่อเพิ่มเร็วแรงชั่วคราวและบรรเทาอาการไม่สบายหลังจากดื่มน้ำผู้วิญญาณที่เย็นสดชื่นและมีรสหวานติดปลายลิ้นเข้าไปหลีชิงพิงก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีหวานเอ๋อลูกให้แม่ดื่มอะไรน่ะ แม่จะมันคือน้ำธรรมดานี่แหละจ้าพวกเรารีบไปกันเถอะพายุฝนฟ้าขนองแบบนี้อยู่ในป่ามันไม่ปลอดภยัยได้ด้วพวกเรารีบไปกันทั้งสองเดินไปได้ไม่ไกลนักเสียงตะโกนด้วยความโกรธแค้นของหนิวซูเฟิร์นก็ดังมาจากเบื้องหลังอยู่นั่นไงนั่งเด็กเหลือขออย่าหนีนะแม่จะอย่าตามไปเลยเสียงที่คุ้นเคยสองเสียงดังใกล้เข้ามาเรื่อยเรีหน้าของหลีชิงถิงเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันด้วยความหวาดกลัว สองแม่ลูกตระกูลโจตามมาทันแล้วดูถ้าวันนี้พวกนางคงตั้งใจจะเอาชีวิตพวกตนให้ได้จริงๆหวานเอวรวิ่งไปกับแม่เร็วเข้าสัญชาติตยาณการเอาตัวรอดอันแรงกล้าประตูขึ้นหลีชิงพิงกุมมือหลีหวานไว้แน่นและพานางวิ่งหนีสุดชีวิตทว่าอย่างไรเสียเมื่อครู่นางก็เพิ่งได้รับบาดเจ็บแม้จะมีน้ําู้วิ ญ, ญญาณช่วยพยุงไว้ชั่วคราวแต่มันก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นในไม่ช้าคนที่ไล่ตามมาก็ขยับเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าจวนจะถูกตามทันหลีหวานก็ชี้ไปที่ทิศทางหนึ่งททันี แม่จะพวกเราไปทางนั้นกันทางนั้นคือบ้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านโจเป็นหัวหน้าหน่วยผลิตของพวกเขาเขารู้เรื่องที่หนิวซูเฟินทารุนลูกสะใภ้เป็นอย่างดีและเคยมาตักเตือนหนิวซูเฟินอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ที่เที่ยงทำอย่างแย่จะตัดสินด้วยในครอบครัวหนิวซูเฟินจึงทำตัวดีขึ้นเพียงประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นหลีชิงผิงคิดว่าลูกสาวต้องการจะไปหลบภัยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ในใจของหลีหวันกลับมีแผนการอื่น เมื่อวิ่งมาถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหนิวซูเฟินก็เลยตามมาทันพดีและผลักเข้าที่หลังอย่างแรงถนนดินเหนียวที่เปียกแฉะทําให้ทั้งสองเสียหลักลื่นลม้มลงบนพื้นจนเปื้อนโคลนไปทั้งตัวสภาพของทั้งคู่ดูอนายิ่งนักช่วยด้วยมีคนจะฆ่ากันตายแล้วยังนี่ทันที่หิวซูเฟิรนจะได้อ้าปากดาหลีหวานก็ชิงตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงเสียก่อนฝนตกหนักลมพัดแรงหนิวซูเฟินที่มัวแต่ไล่ตามคนจึงไม่ได้สังเกตเลยว่ามาถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้ว เมื่อได้ยินหลีหวานตะโกนหนิวซูเฟินก็ไม่เสียเวลาคิดนางคว้าพลั่วที่วางอยู่ข้างๆแล้วฟาดลงไปที่หลีชิงถิงทันทีทำอะไรนะหยุดมือเดี๋ยวนี้เสียงตะวาดดังลั่นพลั่วในมือของหนิวซูเฟินถูกกระชากออกไปด้วยแรงมหาศาลเจ้าชุนหงขอบตาแดงกำพลางดึงเสื้อแม่ของนางแม่จะผู้ใหญ่บ้าน นิวซูเฟินถึงได้พบว่ารอบกายมีคนในครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่รวมถึงชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือและวิ่งมาดูนิวซูเฟินแกจะทําอะไรแกจะฆ่าคนหรือไงผู้ใหญ่บ้านโจชีหน้าด่านิวซูเฟินลีชิงพิงกอดลูกสาววิ่งเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วคุกเข่าลงเสียงดังตุ๊บผู้ใหญ่บ้านจะช่วยด้วยแม่สามีจะฆ่าฉันกับลูก ที่หน้าผากของนางมีบาดแผลที่เห็นได้ชัดบนคอเสื้อและ อ, อกเสื้อก็มีคราบเลือดเมื่อประกอบ ก, กับภาพที่เห็นเมื่อครูผู้ใหญ่บ้านก็พอจะเดาเรื่องราวได้เกือบทั้งหมดหลังจากรู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนหนิวซูเฟินก็เช็ดน้ำออกจากหน้าด้วยท่าทางไม่ยอมคนผู้ใหญ่บ้านนี่มันเรื่องในครอบครัวฉันทางที่ดีแกอย่ามายุ่งจะดีกว่าคุณปู่ผู้ใหญ่บ้านจะย่าจะฆ่าฉันกับแม่คุณปู่ช่วยพวกเราด้วยหลิหวานดึงเสื้อของผู้ใหญ่บ้านพังฟ้องด้วยท่าทางน่าสงสาร ผู้ใหญ่บ้านโจในนิยายต้นฉบับเป็นคนเที่ยงธรรมและมีเหตุผลนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่หลีหวานให้หลีชิงถิงวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเขาและที่สําคัญที่สุดคือผู้ใหญ่บ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับยายของหลีหวานในสมัยก่อนหลังจากหลีชิงถิงและลูกสาวถูกหนิวซูเฟินไล่ออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้พวกนางยืมบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่ของเขาเป็นที่พักอาศัยดวงตาอันคมปราบของผู้ใหญ่บ้านโจฉายแวร็รซ์หนิวซูเฟินการฆ่าคนน่าต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะ